ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> ตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในวันพระเราก็ได้เสียสละเวลากิจการงานต่างๆทางบ้านเพื่อจะมาทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราถึงเวลาที่จะ ทำสมาธิก็พากันตั้งใจให้ดีเพราะประโยชน์ที่ได้จริงจงจังๆก็กรงนั่งสมาธินี่แหละที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิจริงๆลงไปในเบื้องต้นนี้ก็อตมาจะนำขอให้ทุกคนว่าตาม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 จงรวมลงเป็นสมาธิพุทธธรมโมสังโฆพุทธธรรมโสังโฆพุทธธรมโมสังโฆพุทธพุทธพุทธเนกให้นึกไว้ในใจนั่งขัดตมาธ ขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักและหลับตานึกพุโทโธในใจการทำสมาธินั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญจิตใจจิตใจนั้นคือตัวของเราที่ไม่ตาย ในร่างกายนี้ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานร่างกายของเราเป็นเพียงหุ่นกระบอกใจนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีความสุขให้มีความทุกข์และใจนั้นบังคับบัญชาให้วิ่งให้เดินให้ทานให้ทำอะไรทุกอย่างก็ใจเป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสถึงความเป็นใหญ่ของใจว่ามโนปุพังฆมาธรร ม, มามโนเศษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจนี้เป็นพระดำรัดของพระพุทธองค์ ทรงให้ความสำคัญของใจนั้นอย่างยิ่งแม่เมื่อพระองค์จะได้ตดรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้โคนโพปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาที่โคนโพนั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ถึงเจ็ดวันในบริเวณ นั่นพระองค์ได้ทรงสวยวิมุตติสุขตามต้นไม้ต่างๆถึงเจ็ดอาทิตย์เป็นเวลาถึงสี่สิบวันการบำเพ็ญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในทางจิตนั่นจึงทำให้พระองค์เกิดความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลก ก็ด้วยเหตุคือการทำสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประสบผลสำเร็จอย่างนี้แล้วก็ต้องการที่จะให้พวกเรานี้ได้สำเร็จผลเช่นกับด้วยพระองค์นั้นพระองค์จึงได้ทรงประกาศาศาสนธรรมหรือประกาศพระพุทธาศาสนา พระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อให้พวกเราพากันบำเพ็ญเพื่อความสําเร็จการให้ทานการรักษาศีลต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ทรงประกาศเพื่อให้เป็นพื้นฐานส่วนการทําจิตนั่นพระองค์ทรงประกาศเป็นข้อสําคัญ พราคนเรานี่เกิดมาในไม่ช้าก็ตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วเคยพูดก็ไม่ได้พูดก็หมดเสียงไปอยู่ในความทรงจำของบุคคลชั่วครู่ช่วยยามในที่สุดก็หมดไม่มีใครรู้เรื่องคนเราเกิดขึ้นมาตายไปทุกคนไม่ได้เลือกเวลาที่จะถึง ความตายที่เป็นเวลาที่จะถึงนั้นก็มีเวลาเวลานั้นจะเป็นเวลาใดเราก็รู้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องไปถึงที่นั่นคือคือความตายเมื่อเวลาตายนั้นจิตก็จะต้องเข้าผวังเวลาเกิดจิตก็เข้าผวังเข้าผวังนั้นก็เหมือนกับเรานอนหลับ การนอนหลับนั่นแหละคือจิตเข้าผวาหวังจะไปรู้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาคนเราตายก็เหมือนกันจิตมันจะต้องเข้าไปตรงนี้ก็ไปรู้เอามาเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเหมือนกับเรานอนฝันเราจำไม่ได้ยังนงนะเราก็จำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อจิตเข้าผวังที่จะเข้าไปสู่ผวังนั้นก็ต้องอาศัยความสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วจิตมันก็เข้าผวังไม่ได้คือปล่อยหมดเหมือนกันกับคนจะตายอย่างนี้ก็ต้องปล่อยหมดร่างกายก็เจ็บปวดตลอดจนกระทั่งลมหายใจก็หยุดที่จะหายใจ หมดที่จะต้องหยุดลมหายใจอย่างกระทันหันจิตนั้นก็จะต้องรีบเข้าผวังโดยพลันเมื่อเข้าผวังไปแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วเราลองคิดดูเวลาที่เรานอนหลับเราเป็นยังไงมั่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เราอยากจะเหาะ ก็คิดอยากจะเหาะมันก็ไม่ได้เหาะหรือเราอยากจะไปอยู่ในปราสาทรชวังสวยๆ ง, งามๆเราก็ไปไม่ได้หรือเราอยากจะเห็นอะไรเราก็คิดเอาเหมือนกันน่ะตั้งแต่เมื่อยังไม่ทันได้หลับแต่พอเวลาหลับแล้วมันก็ไปไม่ได้คือมันไม่ไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วฉันใดก็ดี สำหรับเวลาที่จิตทั้งเราจะออกจากร่างคือเมื่อถึงข่าวเวลาที่จะต้องตายจิตก็เป็นเช่นเดียวกันไปรู้เอาก็ต่อมาเอาวมาเกิดอยู่ที่นี่ซะแล้วอย่างนี้อันนี้แหละที่เราต้องพากันทำสมาธิต้องการที่จะให้มีสติต้องการที่จะให้รู้ว่าพระวังคืออะไร เราทำจิตให้สงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเมื่อจิตสงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเราก็ปล่อยลงไปบางทีก็สบายนั่นแหละคือจิตเข้าผวังไปแล้วแต่ว่าที่เข้าผวังอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเรานอนหลับจริงๆ เพราะเรานอนหักจริงๆนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเอาเลยจะสุขจะสบายแค่ไหนมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าจิตของเราสงบเข้าสู่ภวังแล้วเกิดความสบายเรารู้แม้แต่เสียงข้างนอกเราก็ยังได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรเราก็ยังได้ยินแต่เราก็รู้สึกมันมีความสบายนักหนา บางทีมันก็มีความซึ้งสบายอย่างยิ่งอะไรอย่างเนี้นี่แหละคือที่เราทําสมาธิแล้วจิตมันเข้าผวังแล้วมันเข้าอย่างนี้ที่เราพากันทําจิตเนี่ตั้งนับครั้งไม่ท่วนตั้งแต่เราทํามามันก็นานมาแล้วจิตมันก็เข้าผวังไปทุกครั้งทุกครั้งอย่างนี้ มันนานมากต่อนานมากเข้ามันก็เกิดความชํานาญเพราะฉะนั้นเราพวกเราจึงต้องมีความตั้งใจที่จะนั่งสมาธิกันให้มากๆก็เพราะเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งคือผู้ที่ได้ทําสมาธิแล้วนี่สมาธิที่เราได้ทําไว้จะเป็นครั้งหนึ่งสองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ตาม สมาธิเหล่านั้นจะไม่สูญเสียไปในทางใดนอกจากฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราด้วยเหตุอย่างนี้เมื่อเวลาที่จิตนี้จะออกจากร่างนี้ไปสมาธิทั้งมวลที่มีอยู่ก็รวบรวมพลังทั้งสิน้นแล้วก็มารวมอยู่ณที่จิตนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความดีและเป็นผู้ที่มีตาสว่างหรือเป็นผู้ที่มีความผ่องใสเมื่อเป็นเช่นนี้อันที่ผู้ทำสมาธิจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปเกิดเป็นเปรตอะไรอย่างนี้ไปไม่ได้ เพราะเหตุที่ว่าจิตนี้ได้รับการฝึกฝนชำนาญแล้วยกเว้นแต่ว่าทำไม่ได้จริงไม่ได้จังแต่บุคคลผู้ทำได้จริงได้จังนั้นพอเวลาจิตรวมลงไปแล้วมันเกิดความสบายเราก็รู้ว่าเราสบายนั่นแหละคือสติแล้วก็คือความชำนาญเมื่อเวลาจิต ของเราจะออกจากร่างนั้นสมาธิเท่าที่เราทำนั้นมันจะเข้ามารวมตัวการรวมตัวนั้นจะรวมเสร็จภายในวินาทีเทนั้นเอง mm. เรียกว่าชาวนาจิตเราลองคิดถ้ว่าชาวนาจิตนี่มันเร็วแค่ไหนอย่างที่เราจะนึกไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้ เพียงวินาทีถึงแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันจะเร็วแค่ไหนมันเร็วเกินกว่าวาระจิตของคนไม่ได้อย่างเราจะคิดไปถึงว่าใ น, นชั่ววินาทีก็ถึงแล้วอเท้าเรายังไม่ขยับสะอิดเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ได้ศึกษาและที่ได้ปฏิบัติที่ได้กระทําเอาไว้นั่นนั่นแหละมัน ก็จะมารวมตัวชั่ววินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทันการเพราะว่าการที่จิตที่จะออกจากร่างเนี่ยมันก็ชั่วเสียววินาทีที่มันจะออกจากร่างเพราะอะไรเพราะว่ามันเร็วพลันในการที่จิตจะออกจากร่างนั้นมันเร็วเพียเ้ยนเียกว่าปั๊บเดียวเท่านั้นก็ออกแล้ว ถ้าหากว่าชาวนาจิตที่ยังเป็นนึกไปคิดอะไรอื่นๆอยู่นั่นมันก็ไม่เร็วมันไม่เกิดความรวดเร็วแต่ชาวนาจิตที่ได้รับการฝึกฝนไว้แล้วเนี่ยมันเร็วมากรวมตัวกันเพียงชั่วอุวินาทีก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไป พร้อมที่จะมีอะไรต่างๆที่จะทำได้เรียกว่าพร้อมนี่เมื่อมาหันมาพูดกันถึงคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินั่นเขาจะเป็นอย่างคนทำสมาธิไม่ได้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้หนังสืออะไรเลย กับคนที่เป็นปริญญาเอกเดี๋ยวเรียกว่าด็อกเตอร์คนที่ไม่รู้หนังสืออะไรเลยนั่นจับหนังสือเอามาแกะไปทีละตัวสองตัวก็ไม่รู้เรื่องต้องไปถามคนอื่นตายว่าถามว่าไอ้ตรงนี้เขาว่ายังไงมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนผู้ที่เป็นด็อกเตอร์ หรือว่าผู้ที่เรียนหนังสืออ่านออกแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยพอจับขึ้นมาพับก็รู้แล้วว่าตัวหนังสือนั้นคืออะไรมันช่วยชวนาจิตเท่านั้นเองชั้นใดก็ดีการที่จิตของบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในการทำสมาธินั้นก็ต้องไปตามยถากรรมคือไม่สามารถที่จะ ควบคุมในขณะที่จิตนั้นจะออกจากร่างได้คือควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ชาวนาจิตหรือความนึกความคิดของจิตนั้นจะไปยึดเอาที่ตรงไหนไปยึดเอาที่ตรงนอนตรงนี้ก็ไปเกิดตามภาวะแห่งการยึดถือเพราะฉะนั้นอุปท า, านท่านจึงบอกว่าอุปท า, านเป็นปัจจัยให้เกิดพบใน ปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงว่าอุปท า, านเป็นปัจจัยให้เกิดพบความจริงก็เป็นอย่างนั้นคือเมื่อเวลาที่บุคคลผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นจำนวนมากเลือกเกินแต่ผู้ฝึกฝนจิตนั้นจานวนจำนวนนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นก็ทำบุญทำทานไปก็นึกถึงบุญทานได้ก็ยังดีหรือว่าไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรกับเขามีแต่คิดถึงลูกถึงเต้ามีแต่คิดถึงทรัพย์สินสมบัตินั่นร้อยเปอร์เซนที่จะต้องไปเกาะ เป็นตำแหน่งของสัตวิรัจานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ว่าก็เหมือนกันกับจบพัดจับผูบางทีไปนึกถึงว่าเออเราเคยได้ให้รางวัลคนใช้สักร้อยบาท นึกได้แค่นั้นเขาก็อาจจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานหรือในนรกก็ได้คือการสงเคราะห์บางทีก็ช่วยเหลือคนในฐานะที่คนที่ยังไม่เข้าใจอะไรในข้อนี้ทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจกันเป็นส่วนมากกันยกว่าเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกัน ก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนเราจะอีกมีเงินมากเยอะๆเวลาตายแล้วเขาจะได้ทำศพให้เราสวยหรูตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านบางทีเขาอาจจะคิดว่าในเวลานี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมบางสวดบางสกุลมาติกาถวายอาหารประสงค์ เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็รอเพียงแค่นั้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในทางจิตใจก็รอว่าเมื่อเวลาตายแล้วเขาจะทำไปให้เราได้บ้างถึงแม้ว่าจะทำมากมายกายกองบางครั้งผู้ที่ได้รับก็อาจจะได้รับเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยได้รับน้อย บางทีก็อาจจะได้รับเพียงเรียวกว่าเล็กน้อยมากไม่เหมือนกันกับเราทําเอาไว้เองเราทําเอาไว้เองนี่ร้อยทั้งร้อยเราก็ได้ไม่มีใครแบ่งไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทาบุญให้กับใครๆเนี่ยเขาจะต้องออกชื่อผู้ที่ยังอยู่คือคนที่ไม่ตายก่อน เช่นอย่างนางกออุทิศให้นายขอเขาจะต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่านายขอได้สร้างสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่านางกอได้อุทิศให้นายขอเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นส่วนการที่จะได้รับส่วนกุศลนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมี การกระทาที่คนอื่นเขากระทาแล้วเขาแบ่งให้เราถึงจะได้ด้วยเหตุอย่างนี้เองแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแก่สาวกว่าอย่าได้ไปคอยรับบุญกุศลคนอื่นเขาเลยตนของตนเองรีบทาเสียในวันนี้ทีเดียว พระองค์ทรงตรัสว่าอชเชวากิจจะมาตะปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำในวันนี้โพยัญยะมรนังสุเวใครเราจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้นี่เป็นคำตักเตือนตักเตือนพุทธบริษัทเพราะว่าผู้ที่จะมารับส่วนกุศลนั้นถ้าหากว่า ไปตกนรกซะแล้วเนี่ยก็ยากเหลือเกินที่จะรับได้ถ้าเป็นขั้นเปรตก็ยังพอที่จะรับได้อยู่บ้างอย่างเนี้ยหรือว่าผู้ที่เป็น เ, เทพบางประเภทอย่างนี้อันนี้ก็รับได้เยอะแต่ทีนี้เราตายไปแล้วเนี่ยบุคคลตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปอยู่ตรงนรกหรือไปอยู่ตรงเปรต เมี๋ไปอยู่ตรงเทพหรือจะไปอยู่ตรงสัมภเวสีอะไรอย่างนี้เวลาตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราแน่ใจของเราว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่อีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปคอยรับส่วนกุศลคนอื่นนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าพิมพิสาร ท่านก็ได้ทำํำกุศลให้แก่ญาติของท่านทําให้ญาติของท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกรองจากญาติของท่านอ่ะไปกินของสงเมื่อไปกินของสงคือเรื่องของเรื่องในอดีตชาตินั้น่ญาติของพระเจ้าพิมพ์มีพระเจ้าแผ่นดินน่ะโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพากันไปบวชบวชแล้วก็ ให้ลูกน้องเนี่ยทําครัวถวายซื้ออาหารมาแล้วก็ทําครัวแล้วก็ถวายพระท่านก็บอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทีงนี้พวกที่ทําครัวพอทําแล้วครั้งแร ก, แรกนี้ก็ไม่ไม่กล้า ก, กินถวายพระก่อนแล้วก็ทานอย่างนี้พอที่หลังมาลูกมันร้องหิวก็เลยเอาลูกให้ลูกกิน ต่อมาเมื่อลูกกินแล้วตัวเองก็เลยกินด้วยในที่สุดก็เลยขโมยกินของสงฆ์ก่อนแต่ที่จะถวายพระไม่ได้กินเสร็จก็กินของสงฆ์พวกนี้เ้าเรียวกว่าเป็นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องไปเป็นเปรตอยู่ถึงเก้าสิบสองกับแล้วถึงจะได้มาพบกับพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศส่วนกุศลไปให้นี่อันนี้ก็เป็นหลักฐาน ที่พอจะได้รับส่วนกุศลได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่ชีวิตจะออกจากร่างนี้มันเป็นเรื่องสาคัญที่สุดแต่เราทำสมาธิไว้อย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้ตมาก็แน่ใจว่าพวกเราไม่ต้องไปแล้วทั้งเปรตทั้งนรกเป็นอันว่าปิดกันได้เพราะอะไร ถึงแน่ใจอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นได้สงบเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนทุกคนนี้ได้ทำสมาธิแล้วก็จิตก็ได้มาเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันว่ารับรองได้ว่าไม่ต้องไปในอบา ย, ยภูมิเหล่านั้น มันน่าหวาดเสียวอย่างยิ่งสําหรับจิตของคนที่จะออกจากร่าง<ม>เขาเรียกว่าจิตตปฏิสนธิจิตตะปฏิสนธินั้นเป็นจิตที่อยู่ยงคงอพันหรือเรียกว่าอามตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายปฏิสนธิจิตนี้ที่จะเข้าไปอยู่ในพันของมารดา ถ้าหากว่าในคันของมันดานั้นไม่มีจิตตปฏติสนธินี้แล้วในคันของมันดาก็จะเกิดเป็นคนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นหมันไปแต่ถ้าหากว่าจิตตปฏติสนธินี้เข้ายึดในในสัมภะาธาตุนั้นเมื่อไหร่สัมภะาธาตุนั้นก็จะเจริญไวขึ้นทันที จึงเรียกว่าจิตตปฏิสนธิถ้าหากว่าสัมภะาธาตุนั้นไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดการเน่าเสียจิตตปฏิสนธิก็ต้องถอนออกไม่สามารถที่จะเข้าและอยู่ในที่นั้นต่อไปอีกได้จิตตปฏิสนธิที่จะเข้ามาถือปฏิสนธิ สัมภาวะธาตุของมารดานั้นจะต้องจิตนั้นจะต้องเข้ามานับจํานวนร้อยรอยดวงที่จะเข้าแล้วแย่งกันเข้ามาที่จะเข้ามาเกิดใครมีอิทธิพลมากกว่าก็เข้าไปได้เมื่อเข้าไปแล้วค่ที่มีอิทธิพลน้อยกว่าก็ต้องถอยออกไปเรียกว่ากลับเข้าไปไม่ได้ ในคำพีไรโรคกวีฐานท่านแสดงไว้ว่าการที่ดวงจิตจะเข้ามาถือปฏิสนธิในคันของมารดานั้นเรียกว่านับจำนวนเป็นร้อยๆเรียกว่าเข้าคิวเป็นร้อยๆแต่ถ้าใครเข้าไปก่อนแล้วคนอื่นก็เข้าต่อไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าหากว่าเกิดสัมพวทธะนั้นสูญเสียไม่สามารถที่จะก่อตัวได้จิตปฏิสนธินั้นก็ถอยออกมาคราวนี้พวกตื่นก็จะต้องเข้ามาต่อคิวกันต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เข้าคิวกันเหมือนคนเราไปซื้อตัว๋วแต่เข้าคิวด้วยบุญกรรมบางที บุญกรรมที่มันดาร น, นั้นเคยทํากับจิตวิญญาณนี้ไว้จิตวิญญาณนี้ก็เข้าไปได้ถ้าไม่เคยทําเอาไว้ถึงจะเข้าไปยังไงก็เข้าไม่ได้ mm hmm. ก็จะต้องมีผู้อื่นที่มีเคยมีบุญที่เคยสะสมกันเอาไว้หรือว่าจะมีบุญมีกรรมก็สุดแล้วแต่ก็จะต้อง มีความสัมพันธ์กันในอดีตจิตปฏิสนธินี้จึงจะเข้าไปสู่ขันธ์ของมันดานั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตของเราเนี่ยที่เราพากันมีอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็มีร่างกายตัวตนอยู่ในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลละบุญผลละกรรมที่ เรามีอยู่ในอดีตสร้างขึ้นมาให้เป็นร่างกายและตัวตนขึ้นมาเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะหาหนทางแก้ไขเรื่องจิตตปฏิสนธินี้แล้วท่านว่าต้องให้บำเพ็ญวิปัสสนาถ้าเราบำเพ็ญวิปัสสนาได้ จะต้องแก้ตรงจิตตปฏิสนธิต่อไปจึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าแก้ตรงจิตตปฏิสนธินี้ไม่ได้เราก็จะต้องมาเกิดอีกร่ำไปเรียกว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าอะเนกชาติสังสารัง สันทาวิสังอนิพิสังขหการังคะเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังขหการกาดิทโศสิปุณณะเคหังนกาหสิฉพาเตผาสุกาภัตตาหะกูตังวิสังขตังวิสังการะขตังจิตตังตันหาหนังไยมัจฉา อันนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเอาใจความว่ากิเลสเป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจทำให้เราตะขาคตต้องไปเกิดอนเนกชาติสังสารังก็เรียกว่านับชาตินับพกไม่ทวนบัดนี้เราได้ทำจิต เข้าถึงปฏิสนธิจิตกำจัดอวิชชาได้แล้วเราจึงหักช่อฟ้าช่อฟ้านั่น่ะเรียกว่ากูตังแปลว่าช่อฟ้าพระองค์ทรงหักได้แล้วเมื่อหักแล้วตัวเจ้าจะมาทำให้เราก่อเกิดต่อไปอีกย่อมไม่ได้นี่เป็นข้อความที่เราแปลกันออกมา เพื่อให้รู้ว่าการที่เวียนไหวตายเกิดนั้นพระพุทธองค์ก็เวียนไห้ตายเกิดมาแล้วก็เหมือนกันกันกบเราที่เวียนไหวตายเกิดเหมือนกันแต่ว่าการเวียนไหวตายเกิดนั้นก็อยู่ที่จิตปฏิสนธิอันนี้คือจิตใจอันนี้เป็นใหญ่จิตปฏิสนธินี่ย เมื่อเข้าไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นร่างกายที่เรามีกันอยู่อย่างนี้แล้วที่เรามีกันอยู่นี่จิตอันนั้นก็ยังอยู่คงสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือคงสภาพเดิมแล้วก็อยู่ในอัตภาพคือร่างกายของเรานี่แหละจะว่า ย, ยูส่วนสมองก็ไม่ได้ จะว่าอยู่ส่วนเท้าก็มีได้แต่ว่าอยู่ส่วนหัวอกเบื้องซ้ายนั่นมันก็เป็นหาไทยแต่ว่าก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งเรารู้ได้ก็ตอนที่เราใช้เช่นอย่างเราจะคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาความรู้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจิตใจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้เนี่ย เมื่อเราได้สร้างสมาธิขึ้นมาเราก็เข้าไปถึงจิตดวงนี้แล้วเพราะว่าการที่ทำจิตเข้าสู่ภวังนั้นก็คือการทำจิตของเราเข้าไปถึงจิตเราก็ได้รับผลประโยชน์อันมหาศาลการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ คำสั่งสอนของพระองค์นั้นพระองค์นม่ได้ส่งคิดและเดาหรือคำนวณเอาแต่พระองค์นำเอาของจริงที่พระองค์ได้พบเอามาประกาศเพราะฉะนั้นในจิตนี้ที่พระองค์ได้ส่งคนพบแล้วนี่แล้วพระองค์ก็นำเอามาประกาศ เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถทำจิตของเราเนี่ให้เข้าไปสู่ภาวะที่เรีย ก, กว่าพระวังให้เข้าไปสู่ภาวะที่เรีย ก, กว่าพระวังขจิตและเข้าไปถึงสิ่งที่แท้จริงคือสิ่งที่เป็นผู้ไม่ตาย พระองค์เห็นอย่างนี้และรู้อย่างนี้พระองค์ตัดสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงประกาศความตัดสรู้นั้นให้พวกเราทั้งหลายได้พากันปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ทําจิตให้เข้าถึงซึ่งภาวะนี้เมื่อเราทําจิตเข้าถึงภาวะนี้อันดับแรก เราก็ปิดอบายไว้ซะ ก, ก่อนเราจะไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สูงขึ้นต่อจากนี้ไปก่อนอื่นเราก็ปิดอบายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพลัดจับหุ้ไปไปเกิดในอบายแล้วก็เสียเวลาอีกมากเหลือเกิน ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราไปตกนรกอย่างนี้มันก็หมดไปไม่รู้กี่กับหรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์เร่รฉานเมื่อไปเกิดเป็นสุนัขหรือว่าเป็นโคเป็นกระบือเป็นสัตว์อะไรก็ได้แล้วมันก็ยินดีในสัตว์สัตว์ต่อสัตว์มันก็ยินดีซึ่งกันและกันตายแล้วมันก็เป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นโอ้ยหกว่ามันจะกลับ มาเกิดเป็นคนได้อีกมันก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานนักต้องกันการคลาดเคลื่อนหรือว่าต้องการความพลาดพลัง้งพระพุทธองค์ยึงได้ทรงยืนยันในการที่จะให้พุทธบริษัทปฏิบัติในทางด้านจิตใจอย่างที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ จะเรียกว่าพระใจพิดกนั้นมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านแบ่งออกเป็นพระสูตรจะสองหมืสองพันท่านแบ่งออกเป็นพระวินัยจะสองหมื่นสองพันแต่ไปเป็นพระประมาทถึงสี่หมื่นสี่พันเรียกว่าครึ่งหนึ่งพระประมัาทนั่นก็คือการทําจิตใจนั่นเอง พระองค์ทำไมจึงได้ให้ความให้ความสำคัญในคำสอนที่ว่ามีพระประมัติถึงสี่0มื่นสี่พันกึ่งหนึ่งของศาสนาก็แสดงว่าพระองค์ทรงเจาะจงที่จะให้พวกเราพากันไปสู่สวรรค์หรือพระนิพพานนั่นเองไม่ต้องการที่จะให้พวกเรานี้ ต้องไปสู่อาบายไปบังเกิดในอาบายหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนรกอะไรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาพิจารณาตัวของเรามีโอกาสที่จะได้เข้าใจในตัวของเราในเรื่องการทำสมาธินี่แล้วจึงเป็นโชค อ, อันมหาศาล การที่เราจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ง่ายนกจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้หาครูหาอาจารย์หาสถานที่หาโอกาสหาเวลาเรามีอายุอันนมของเราอย่างนี้เราต้องมีฐานะมีความเป็นอยู่มิฉะนั้นเราจะเอาโอกาสที่ไหนมาวัดได้ ถ้าหากค่อยมีความเดือดร้อนทางบ้านมันก็มาไม่ได้ร่างกายทุกคนภาพมันก็มาไม่ได้หรือมาได้แต่ไม่มีครูมีอาจารย์มันก็เท่า น, นั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ว่าการที่จะมาประสบพบกันอย่างที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่สิ่งนั้นเมื่อเราประสบพบแล้วก็เหลืออยู่ที่ว่าความสามารถของเราจะกระทำกันแค่ไหนความสามารถหรือว่าศรัทธาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะรักษาความเป็นไปของเราอันที่เรียกว่า ความดีอันนี้ไว้ได้เมื่อเรารักษาความดีการปฏิบัติสมาธิของเราอันนี้ไว้ได้แล้วเนี่เราก็จะยิ่งประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นสมเจตจำนงยิ่งขึ้นต้องการอาวัยได้อย่างประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นรุกเกินที่จะต้องรักษาความดีของเราไว้ที่เราได้พากันปฏิบัติพฤตธรรมนี่เราต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตชีวิตอันนี้นั่นเราถือว่าไม่เท่าไรนักหรอกไม่ช้าก็ตายดังกล่าวแล้วแต่ว่าจิตของเราที่มันไม่ตายนั่นสิมันไปอีกหลายพันหลายหมื่นหลายล้านปี เยอะกว่าไม่รู้เท่าไหร่ทีเดียวแต่ว่าส่วนร่างกายนี้มันก็อยู่ ไ, ไม่กี่ปีก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสลักแม้ว่าเราร่างกายนี้มันจะลําบากหน่อยก็จามันเราต้องการเอาความดีลํำบากก็จะมันเป็นไรปวดข้าวเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรนั่งปวดขาก็ไม่เห็นเป็นไร หรือว่าเสียการเสียงานก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็สละให้หมดตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ถ้าเราตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ที่มีความแน่วแน่อย่างนี้ชีวิตของเราต่อไปก็อีกสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างกว่าเราจะตายก็ได้อีกเยอะมากมายไกลกอ่ไม่ว่า เราจะอยู่ที่วานหรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่วัดเราก็ทำได้ความดีสมาธิเหล่านี้เราทำได้ถ้าหากว่าศรัทธาแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จขึ้นมาได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เรารกลัวนักหนานั่นน่ะก็คือพวกอันธพาล อันทะแปลว่ามืดพาละแปลว่าโง่ความจริงนั่นอ่ะเราเรียกอันธพั a ฑน่ะคือคนถ้าคนมืดคนงโง่ทั้งโง่ทั้งเงา้าก็พูดกันว่ายอย่างนั้นที่เรากลัวที่สุดก็คือกลัวอันถ a า a n อันถ a p a นั่นมันคอยจะมากลบคือคอยจะมากลบเกลื่อนหาเรื่องกับเรา ไม่ให้เราทำสมาธิเนีย่ยต่อไปนี้ก็ทำสมาธิกันต่อไป